บทที่ยี่สิบเจ็ดโยมปันเมื่อนายสมชายนำรถเข้ามาจอดหน้าเรือนปัญญาหลังใหญ่ฝูงสุนัขก็วิ่งโกรกันเข้ามาส่งเสียงเห่าอึงคนหนึง่งไม่มีผู้ใดลงมาไล่สุนัขฝูงนั้นท่านพระครูจึงแผ่เมตตาไปยังพวกมันและบอกสมชายว่าไป ลงจากรถไปได้แล้วรับรองว่าปลอดภัยชายหนุ่มจึงเปิดประตูรถลงจากรถอย่างหวัดหวาดแล้วก็อ้อมมาเปิดประตูให้ท่านลงอีกด้านหนึ่งฝูงสุนัข ก, ก็วิ่งกระดิกหางเข้ามาต้อนรับพลางส่งเสียงงืดงาดท่านพระครูเดินนำนายสมชายขึ้นไปบนบ้านพบนางปันนอนแบบอยู่บนเตียงข้างนอกฌาน ที่นอนเปียกชื้นด้วยน้ำปัสสาวะคละคล้าวกับน้ำเหลืองส่งกลิ่นเหม็นครุงโยมปานอาตมามาเยี่ยมท่านเอ่ยทักนายสมชายยกเก้าอี้มาให้ท่านนั่งข้างเตียงหลวงพ่อเหรอจ๊ะโถอุสาวมาเยี่ยมขอพระคุณมากจ้ะนางพูดพลางยกมือประนมทั้งที่นอนแบบอยู่อย่างนั้นเนื่องจากป่วยเป็นอมาพาต เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ห้าหกปีแล้วสมชายไหนลากของเยี่ยมท่านถามหาของที่เตรียมมาจากวัดป่ามะม่วงอยู่ในรถครับเดี๋ยวผมลงไปเอามาให้พูดจบก็ลงัดดาไดไปสักครู่จึงขึ้นมาพร้อมกับถาดทรงกลมในถาดบรรจุโอวันตินนมสดและนมข้นเขาวางลงข้างๆเตียง แล้วถอยออกมานั่งเซกไกลเพราะทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวหลวงพ่อมาเยี่ยมชั้นก็เป็นพระคุณแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาให้ก็ได้นางปันพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรหรอกโยมอะไรที่พอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปอย่าไปคิดมากเลยนะนี่โยมอยู่คนเดียวหรือโยมผู้ชายไปไหนเสล่ะท่านถามหาสามีของนางปัน ไปนาจ้ะไปดูเข้าเกี่ยวข้าวจ้างเข้าคนละยี่สิบห้าบาทต่อวันก็เลยต้องไปคุมเห็นว่าวันนี้มากันตั้งสิบคนแล้วยมกินข้าวกินปลาอย่างไงล่ะช่วยตัวเองได้บ้างไหยท่านถามอย่างเป็นห่วงไม่ได้เลยจ้ะหลวงพ่อเมื่อเช้าทิดเขาป้อนข้าวแล้วก็ออกไปนากลางวันเขาจะกลับมาป้อนอีก เรื่องกินก็เลยไม่ลำบากเท่าไรจะลาบากก็ตอนหนกักตอนเบาเนี่หละมันคลุ้งเลยนางพูดอย่างเกรงใจท่านพระครูรู้ว่าท่านจะต้องเหม็นขนาดลูกศิษย์ยังเลี่ยงไปนั่งเซกไลท่านพระครูมีอันต้องกาหนดได้กลิ่นหนาเพราะเป็นคนรักความสะอาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วลูกเต่าเข้าไปไหนกันหมดละ่ะโยม มีลูกหลายคนไม่ใช่หรือท่านถามพรางตำหนิลูกๆของนางที่ปล่อยให้แม่ต้องนอนป่วยอยู่อย่างเดียวดายเช่นนี้เขามีครอบครัวแยกย้ายกันไปหมดแล้วตั้งแต่แบ่งหน้าให้ไปคนละสามร้อยไร่ก็ไม่มีใครมาเห็นหน้าอีกเลยเหลือแต่ลูกสาวคนสุดท้องที่กําลังเรียนปริญญาโทอยู่เมื่อสองสามวันก่อนเขาก็มา บอกให้ชั้นหาเงินไว้ให้สักสองหมื่นเขาว่าเขาจะเอาไปพิมพ์หนังสือเสียงแตรรถดังอยู่หน้าบ้านท่านพักครูหันไปมองก็เห็นรถบ m w อสีตะกวดตัดวิ่งเข้ามาจอดอยู่คู่กับรถตู้ของท่านคนขับเป็นผู้หญิงอายุราวสักยีห้ามีผู้หญิงวัยเดียวกันตามมาอีกสีห้าคน ฝูงสุนัขวิ่งกรูเข้ามาแต่ถูกคนที่ขับรถไล่ตะเพิดออกไปขึ้นบ้านก่อนเดี๋ยวไปเอาเงินกับแม่เดียวไม่รู้ว่าหาให้ได้หรือยังหลอนพูดพลางเดินนาขึ้นไปบนบ้านเห็นพระนั่งอยู่ข้างๆมารดาจึงยกมือไหว้หนูมาหาใครจะ้ะท่านทักขึ้นก่อนมาหาแม่จะ้ะฉันเป็นลูกสาวคนที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ย หล่อนชี้มาที่มารดาส่วนเพื่อนๆของหล่อนนั่งรออยู่ห่างๆหนูมาก็ดีแล้วช่วยซักผ้านุ่งผ้าปูที่นอนให้แม่เขาด้วยกลิ่นอุจจาระปัสสาวะคลุ้งไปหมดท่านถือโอกาสใช้ไม่ได้หรอกหลวงพ่อหนูจะรีบไปพูดพรางหันไปมองเพื่อนๆซึ่งขยิบหูขยิบตาใส่ทนองว่าอย่าซัก จะรีบไปไหนล่ะจ๊ะจะไปเผาศพญาติเพื่อนที่อยุธยาค่ะหล่อนตอบไม่รู้สึกพอใจที่ถูกซักไซไล่เลียงกอดซักผ้าให้แม่ก่อนแล้วค่อยไปคงกินเวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีหรอกนายญิงสาวหันไปมองเพื่อนๆ อ, อย่างเกรงใจเห็นพวกเขาทำบุบยใบว่าไม่ให้ซักจึงบอกท่านพระครูว่า ไม่ได้หรอกหลวงพ่อเดี๋ยวเพื่อนๆนหนูเขารอก็ให้เขารอสักประเดี๋ยวจะเป็นไรไปเดี๋ยวไปไม่ทันงานศพหล่อนตอบเสียงห้วนรู้สึ ก, กรำคาญขึ้นตงิด ต, ตงิดเป็นพระเป็นเจ้ามายุ่งอะไรกับเรื่องของหล่อนขนาดแม่หล่อนแทๆ้ๆยังไม่กล้าใช้ท่านพระครูรู้ความคิดของหญิงสาวการที่ท่านเซาซีให้หลอนซักผ้าให้มารดา ก็เพื่อจะช่วยตัดกรรมให้แต่หล่อนกลับแสดงอาการไม่พอใจออกนอกหน้าท่านจึงพูดเสียงค่อนข้างดังว่าขอโทษเธอหนูอัตมาขอถามตรงๆว่าคนที่ตายนะ่ะเขามีความสำคัญต่อหนูมากกว่าแม่ของหนูหรือไงแล้วถ้าหนูไม่ไปเผาศพเขานะ่ะจะทำให้งานต้องล้มเลิกไปเลยใช่ไหมท่านประชดหากหล่อนไม่สนใจ หันไปพูดกับมารดาว่าแม่เงินสองหมื่นหาให้ได้หรือยังที่หนูขอไวนะ้น่ะจะไปพิมพ์วิทยานิพนธ์นะยังหาไม่ได้หรอกอินโเอ้ยพ่อเองโมแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องเกี่ยวข้าวก็เลยยังไม่มีเวลาไปหยิบไปยืมใครนั่งปั่นพูดอย่างเกรงใจลูกสาวแล้วเมื่อไหร่จะได้ล่ะบอกตั้งหลายวันแล้วนะลูกสาวพูดเกือบตะคอก ท่านพระครูจึงถือโอกาสถามขึ้นว่าหนูเรียนอยู่ที่ไหนล่ะจ๊ะหนูเรียนปริญญาโทอยู่กรุงเทพค่ะกำลังทําวิทยานิพนธ์จะมาขอเงินแม่เข้าไปพิมพ์หลอนพูดอย่างภาคภูมิใจแต่รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นเมื่อท่านถามเรื่องเรียนอ๋อเรียนปริญญาโทเชลรึอยู่สถาบันไหนล่ะหญิงสาวเอ่ยนามมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ง ซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไทยแต่ท่านพระครูกลับลงความเห็นว่าไม่น่าคนอย่างหนูเนี่ยไม่น่าที่จะได้ เ, เรียนมหาวิทยาลัยดีๆอย่างนี้ทำไมเหะอคะก็ทำให้เสียชื่อสถาบันเขาหมดนะซิท่านว่าเอาตรงๆเสียชื่อยังไงคะหนูเสียหายตรงไหนถามโกรธ เสียหายตรงที่หนูไม่มีกระตันยูกระตะเวทิตาธรรมอยู่ในจิตใจเลยนะสิแม่นอนป่วยแทนที่จะพยาบาลรักษากลับเห็นญาติของเพื่อนสำคัญกว่าอาตมาขอว่าหนูตรงๆอย่างนี้แหละหน้าเสียดายที่มีความรู้สูงแต่คุณธรรมไม่มีเลยหนูจำไว้ด้วยว่าความรู้นั้นต้องคู่คุณธรรมถ้ามีแต่ความรู้อย่างเดียว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 หนูอาตมาขอร้องเถอะหนูช่วยเอาผ้าของแม่นไปซักหน่อยแล้วหนูจะเจริญรุ่งเรืองเชียวละนี่ถ้าอาตมาไหว้หนูได้ก็จะไหว้เดี๋ยวนี้เลยนะหนูนะไม่ซกไม่ซักหรอกคนจะรีบหลวงพ่ออยากซักก็ไปซักเองสินิสิตปริญญาโทรกล่าวจ่วงจาบพระสงฆ์หนู นิทยอมปั่นเป็นแม่อาตมาอัตมาจะซักให้หนูดูอย่างไม่รังเกียจเลยแต่จนใจที่ทำไม่ได้เพราะมันผิดพระวินยัยพระวินัยอนุญาตให้ทำให้แม่ได้เท่านั้นทำให้คนอื่นไม่ได้วินองวินัยอะไรหนูไม่สนใจหรอกหนูไปละ่ะแม่ไปก่อนนะอย่าลืมหาเงินไว้ให้ด้วยละ่ะพูดแล้วก็ชวนเพื่อนๆลงเรือนไป ไม่สนใจที่จะไหว้าลาท่านพระครูด้วยซ้ำจเจ้าอาวาดวัดป่ามาม่วงมองตามรถ B M W ด้วยความรู้สึกสลดหดหูท่านหันมาพูดกับนางปันว่าไม่ไว้นี่โยมเลี้ยงลูกแบบไหนถึงได้เป็นอย่างนี้มันเป็นเวรกรรมของฉันจาหลวงพ่อนางปันพูดไปก็ร้องไห้ไปนี่เขาก็มาคมมรู่จะเอาเงินไปพิมพ์หนังสือ ฉันก็ไม่รู้่จะไปหาที่ไหนให้เขาสมบัติอะไรก็แบ่งให้ไปหมดแล้วนาสามร้อยไร่เขาก็ขายหมดเอาไปแลกรถคันนั้นนะ่ะได้คันเดียวบอกเขาเขาก็ไม่เชื่อห้ามเขาก็ไม่ฟังนางร้องไห้สะอึกสะอื้น นีดีนาะที่เป็นลูกโยมถ้าเป็นลูกอาตมาแล้วก็คงจะตัดหางปล่อยวัดไปแล้วอย่าไปว่าเขาเลยจ้าหลวงพอ่อมันเป็นกรรมของชั้นเองนางปัน่นไม่วายเข้าข้างลูกขอถามหน่อยเถอะโยมตั้งแต่โยมนอนป่วยมาเนี่ยลูกสาวเขาเคยซักผ้าไหมผ้าที่เปื่อนอุจจาระปัสสาวะให้โยมนะ่ะไม่เคยจ้ะ เขารังเกียจมีแต่ทิศนั่นแหละเขาซักให้นางหมายถึงผู้ที่เป็นสามีพูดยังไม่ทันขาดคำในขำก็ขึ้นเรือนมาครั้นเห็นท่านพระครูจึงเข้าไปนั่งยองๆแล้วก็ยกมือไหว้หลวงพ่อมานานแล้วหรอครับมาสักพักหนึ่งเห็นจะได้ไงเป็นยังไงวันนี้เกี่ยวข้าวได้กี่วไร่สักสามสี่ไร่เห็นจะได้ครับ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 และแกทำยังไงล่ะบอกมันว่ายังไงก็บอกไปว่ายังหาไม่ได้ถ้าทางมันโกรธเชียลูกสาวโยมนี่ไม่ไว้เลยนะอาตมาให้ช่วยซักผ้าให้โยมปัน่นเขาก็ไม่ยอมซักขันพระครูฟ้องเหลือเกินเลยล่ะครับหลวงพ่อเขาถือว่าเรียนสูงกว่าพ่อแม่จะสอนอะไรยังไงก็ไม่ฟัง ดูถูกพ่อแม่ว่าจบแค่ป .4 ผมว่าเขาคงไปไม่ถึงไหนอย่าหาว่าผมแช่งลูกเลยในคำพูดอย่างอ่อนล้ารู้สึกผิดหวังที่มีลูกไม่ได้ดังใจสักคนเดียวอย่าไปโทษลูกมันเลยทิดเอ้ยมันเป็นกรรมข้องค่าเองนางปั่นปรามสามีพลางขยับตัวอย่างลำบากการนอนแบบ อยู่กับที่เป็นเวลาแรมปีทำให้เนื้อบริเวณหลังเริ่มเปื่อยแล้วก็กลายเป็นแผลเรื้อรังน้ำเหลืองไหลยเยิ้มแกก็เข้าข้างมันทุกทีมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงนายขำว่าภรรยาก็มันจริงๆนี่นาะหลวงพ่อเชื่อชั้นเถอจะจ้าว่ามันเป็นกรรมของชั้นเองชั้นทำกรรมไว้กับแม่ ลูกก็เลยมาทำกรรมกับฉันอย่างที่ฉันทำกับแม่ฉันจะเล่าให้หลวงพ่อฟังนางหยุดหายใจลึกๆสองสามครั้งแล้วจึงเริ่มต้นเล่าด้วยเสียงแหบเครือแม่ฉันน่เป็นอมาพาสนอนป่วยอยู่เป็นปีฉันไม่เคยซักผ้าให้แม่ตอนนั้นฉันอยู่กับยายไม่ได้อยู่กับแม่เวลายายให้อาข้าวมาส่งแม่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 ไม่เคยซักผ้าให้แม่สักครั้งเดียวฉันถึงไม่โกรธลูกเขาที่ไม่ซักผ้าให้ฉันนางปั่นเล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้ท่านพระครูฟังอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเพิ่งจะเข้าใจเดี๋ยวนั้นว่าเหตุใดท่านจึงมองเห็นกฎแห่งกรรมลูกสาวของนางปันคลั้นจะเล่าให้สองผัวเมียฟัง ก็เกรงจะไม่สบายใจจึงนิ่งเสียอาตมาเห็นจะต้องกลับเสทีโยมจะได้พักผ่อนกันรู้ว่าท่านจะกลับนางปั่นก็มีอันเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวขึ้นมาทันทีตอนคุยกับท่านรู้สึกเพลินจะลืมเจ็บปวดนางร้องครวญคลางขึ้นมาว่าหลวงพ่อฉันทรมาเลื้เกินช่วยฉันด้วย โยมเคยเข้ากรรมาฐานมาแล้วไม่ใช่หรืออาตมาจำได้นะจำได้ว่าโยมเคยไปอยู่วัดป่ามาม่วงหลายวันจ้าเคยไปเข้ามาสองครั้งตอนก่อนล้มป่วยครั้งแรกอยู่เจ็ดวันครั้งที่สองอยู่ห้าวันนั่นแหละโยมก็เอาวิชานั่นแหละมาใช้ใช้ยังไงจ้าหลวงพ่อฉันลืมหมดแล้วตั้งแต่กลับจากวัด ฉันก็ไม่ได้ปฏิบัติอีกยิ่งพอมาล้มป่วยก็เลยเลิกพูดถึงไปเลยเอาเถอะลืมก็ไม่เป็นไรอาตมาจะช่วยทบทวนให้ก็ยังดีกว่าเริ่มใหม่ทั้งหมดคนที่เคยปฏิบัติแล้วอย่างน้อยก็ต้องมีเชื้อหลงอยู่บ้างฟังนายโยมเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนก็เอาจิตไปปักไว้ตรงนั้นหรือที่เรียกว่า เอาความเจ็บปวดมาเป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วก็กำหนดปวดหนอหรือเจ็บหนอไปตามที่เป็นจริงถ้ามันเจ็บทั้งปวดก็กำหนดว่าเจ็บปวดหนอเจ็บปวดหนอกกำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นคลายลง โยมทำได้ไหมล่ะจ้ะคิดว่าคงทำได้ต้องทำได้สิอย่าไปคิดว่าคงทำได้ตั้งใจให้แน่วแน่ลงไปเลยว่าจะต้องทำได้โยมต้องใช้สติคมทุกขเวทนาให้ได้เข้าใจหรือยังเข้าใจจะ้ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากถ้าหลวงพ่อมีเวลากรุณามาเยี่ยมอิชันอีกนะจ๊ะ ฉันคงอยู่ได้อีกไม่นานอย่างน้อยหลวงพ่อก็จะได้มาช่วยส่งวิญญาณฉันให้ไปสู่สุขตินางปั่นพูดอย่างคนที่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ต้องให้อัตมาส่งรอกโยมส่งเองก็ได้เราเคยปฏิบัติแล้วเราก็รู้แล้วนี่ว่าทางไหนเป็นยังไง ถ้าเราอยากจะไปทางสายนั้นเราก็ต้องปฏิบัติอย่างไรรู้จักแต่เวลาปฏิบัติมันทำไม่ได้อย่างที่รู้นั่นก็แสดงว่าโยมรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงต้องปฏิบัติได้จาไว้นายโยมวันนี้อาตมามาให้สติโยมหลายเรื่องด้วยกันถ้าโยมปฏิบัติตามได้โยมก็จะพ้นทุกได้อาตมาลาละ ในขำกุลีกุจอตามสงท่านถึงที่รถซึ่งนายสมชายลงมารออยู่ตั้งแต่ได้ยินคำว่าท่านจะกลับท่านพูดให้กำลังใจในขำว่าอดทนเอาหน่อยนายโยมนะคิดซึว่าเคยทำกรรมร่วมกันมาโยมปั่นเขาคงจะเคยปรนิบัติโยมมาตั้งแต่ครั้งอดีตโยมก็เลยต้องมาทำหน้าที่ใช้เขาบ้างก็ใช้ใช้นี่กันเสียให้หมด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 อย่างคนที่เข็ดลาบกับชีวิตดีแล้วอาตมาขออนุโมทนาถ้าโยมต้องการอย่างนั้นก็ขอให้อธิษฐานจิตแล้วก็มันสวดมนต์ภาวนาถ้าจิตถึงโยมก็จะเป็นดังที่อธิษฐานอาตมาลาละนะครับ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 รถเคลื่อนออกพ้นบริเวณบ้านมาแล้วในสมชายจึงเอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อนั่งคุยอยู่ตั้งนานไม่รู้สึกเหม็นบ้างหรือไงขนาดผมนั่งอยู่ห่างๆยังแทบอ้วกท่านพระครูไม่ตอบแต่กลับถามขึ้นว่าเธอเห็นลูกสาวเขาไหมคนที่ขับรถบ m อมนะ่ะช่างน่าเกลียดเสียละเกินหน้าเกลียดอะไรกันเขาออกสวยเสียดายที่ผมเกิดช้าไปหน่อย ไม่งั้นผมฉีบแล้วรูปก็สวยรวยทรัพย์นับวิชาเธอเห็นแต่รูปภายนอกทรัพย์ภายนอกเท่านั้นแหละแต่รูปภายในทรัพย์ภายในเธอไม่เห็นไม่จำเป็นต้องเห็นก็ได้นี่ครับหลวงพ่อจำเป็นสิสมชายทาไมจะไม่จำเป็นละ่ะเพราะคนเข้าคิดอย่างเธอนี่แหละชีวิตคู่สมัยนี้มันถึงหาความสุขไม่ได้ เพราะดูกันแข่ภายนอกนี่เองผมไม่เถียงหลวงพ่อดีกว่าชักปวดหัวต ง, งิดต ง, งิดแล้ววันนี้เจอแต่เรื่องหนักๆทั้งนั้นทำไมผมจะต้องมาเจอเรื่องหนักๆในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันที่ผมเกิดเอาละ่ะไหนๆก็เจอแต่เรื่องหนักๆมาแล้วก็มาเจออีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันอา้าวหนักแค่วันเดียว วันอื่นจะได้ไม่นักเธอรู้หรือเปล่าฉันเห็นกฎแห่งกรรมแม่หนูที่ขับบ m อ็มนั่นแล้วในอนาคตเขาจะต้องเป็นอมพาสเหมือนแม่เขาแล้วลูกเขาก็จะไม่มาปนิบัติเขายิ่งร้ายไปกว่านั้นสามีจะทิ้งเขาไปมีเมียใหม่จะไม่มาคอยดูแลเหมือนพ่อเขาดูแลแม่เขาถึงว่าสิหลวงพ่อถึงได้คาดคันเขานัก ให้เขาซักผ้าให้แม่หลวงพ่อต้องการช่วยเขานี่เองแต่เขาไม่ยอมรับความหวังดีหลวงพ่อน่าสงสารจริงๆนี่ถ้าผมอายุเท่าเขาก็คงไม่คิดจะจีบแล้วละ่ะผมขี้เกียจจะมานั่งซักผ้าขี่ผ้าเยี่ยวให้คงเหม็นตายแน่ๆนนายสมชายทำท่าเสียดสะเอียนฉันถึงว่ามันเป็นกรรมไงละ่ะกรรมที่ไม่มีผู้ดใดช่วยได้ ฉันก็อพยายามแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จผลก็ต้องปล่อยเข้าไปตามกรรมดังพุทธพ์ที่ว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม